พระธรรมเทศนาแตนที่หนึ่งสองลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเอาความตายมาเตือนสติลูกลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบ ธันวาคมพุทธศักราช2559โยมผู้การจังหวัดกับคณะที่พวกเราเห็นเนี่ยวันนี้เห็นดาวเต็มไปหมดเนี่ย <c oughs> ท่านผูกการกับคณะท่านมาอันเนื่องจากน้ำท่วมอำเภอนายยงน้ำโสมตั้งแต่วันที่8ที่9พฤศจิกายน เสียหายท่านก็เลยกรมท่านผู้การแม่บ้านตำรวจก็เลยจะมาแจกของให้ชาวบ้านวันนี้พวกผ้าหม่มพวกโรงเรียนเครื่องเขียนนักเรียนให้กับโรงเรียนอำเภอเนี่ยนะในเขตที่น้ำท่วมเนี่ยนะ อ, อนายูงน้ำโสมเป็นน้ำใจของโยมผู้การกับคณะแต่ก็ มีท่านผู้ว่าก็เข้ามาแล้วก็หลวงพ่อเองก็ได้รับถุงอย่างเชีพเหมือนกันนะพระ อ, องค์สวมท่านท่านส่งมาท่านผู้ว่าเป็นผู้นำเข้ามาถวายวัดหลวงพ่อก็ได้รับเหมือนกันท่านก็นับพระพระมีเท่าไหร่แล้วก็โยมอยู่ในวัดหนะลวงพ่อก็ได้จัด ถวายพระไปหมดแล้วละ่ะแล้วก็เรื่องวัสดถ้าจะว่าไปแล้วก็เสียหายเสียหายมากทีเดียวอย่างวัดหลวงพ่อนี่ก็ทางโยธาทั้งกรมทางหลวงชนบททั้งชนประธานท่านผู้ว่าเป็นผู้สั่งให้มาตรวจตำรวจว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน แต่นก็มาสำรวจสองสามครั้งนั่นและบก็ความเสียหายในวัดของเรากับกำแพงยาวที่มันลม้มลงร้0รยิเมตรมั้งแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะแล้วก็กน้ำมุดกําแพงอีกเกือบ94เเมตรแล้วก็ถนนขาดในวัดเพราะวัดของเรามันกว้างถนนก็เลยน้ำตัดถนน ดูๆแล้วก็มากเหมือนกันสองช่องนะเสียถนนไปมากเหมือนกันท่นนี้กำลังพวกคูบากำลังซ่อมแซมกันอยู่เรื่องทำกำแพงแต่ท่านคงจะทำเรื่องเรื่องกำแพงก่อนส่วนถนนคนคงจะเอาไว้เป็นแผนสองมั้ง แต่ทางเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางกรมการศาสนาทางสำนักพุทธท่านก็เอาแบบฟอร์มมาให้ให้ทางหลวงพ่อเป็นผู้กอกคล้ายๆว่าทางโยธาทางโยธาทางทางหลวงชนบททางจังหวัดเ้าก็รวบรวมค่าเสียหายแล้วก็เาก็แบบกอกให้มีแบบฟอร์มทางมามาให้ หลวงพ่อเป็นผู้ลงลงนามขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลาแล้วก็คงเก่แล้วก็จะส่งไปทางเมื่อเจ้าอาวาเสเซ็นแล้วก็คงเจ้าคณะตําตบลเจ้าคณะอําอเภอนายอําเภอแล้วก็คงส่งเข้าไปทางจังหวัดสํานักพุทธแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดตามขั้นตอนจะได้ขอเงินค่าช่วยเหลื อ, อที่ประสม อุตกภัยที่วัดท่านลงนามกวประมาณเจล้านกว่าในวัดของเราทั้งกำแพงทั้งถนนทั้งสะพานเนี่ยสรุปก็ปคือค่าเสียหายแต่หลวงพ่อเองพอมาแล้วกันได้ไประชุมกับพระสงฆ์นะได้ไประชุมกับพระว่าเอายังไงแต่ตามไม่จริงวัดของเราก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนถึงขนาดนั้น เราก็พระก็ให้ลงความเห็นกันว่าหลวงพ่อไม่น่าจะเอาให้ทางทัพทางรัฐบาลทางกรมการศาสนาช่วยที่อื่นซะช่วยวัดอื่นซะเพราะวัดเราก็พอเป็นพอไปเพราะเงินกรถิ่นปัจจัยกระถิ่นของเราก็ยังไม่ได้ใช้พอเตรียมจะใช้อยู่ใช้โรงเรียนใช้กับโรงพยาบาล ที่มีความจำเป็นตรงไหนเราก็จะใช้ไปเอาลูกหลานใครเสียงดังออกไปข้างนอกก่อนนะน่แหละคือหลวงพ่อเองก็บอกว่าทางวัดเราก็จำเป็นจะใช้ไหมก็ได้ใช้อยู่แต่ก็คิดว่าจะช่วยตนเองได้พอเงินกระถินกองเราก็มีัตุปัจจัยลูกหลานศรัทธาญาติโยมก็พอได้ยินทราบข่าวว่าน้ำท่วมก็พยายามทยอย ส่งเขามามีอยู่คิดว่าน่าจะช่วยวัดหรือช่วยที่สิ่งที่จําเป็นนี้ได้เพราะนั่นหมายจำเป็นจะต้องบรบกวนทางกรมทางกองทางส่วนส่วนกลางเพราะส่วนกลางก็มากอยู่แล้วให้ช่ว ย, วยกันดูแลพี่น้องประชาชนที่มันที่มีความเสียหายอําเภอน้ำโสมนา ย, ยูงเสียหายมากกว่าหลวงพ่อ พ่อเสียหายระยะยาวอีกต่างหากทำไมจึงว่าเสียหายระยะยาวเพราะว่าน้ำท่วมไรนาของพี่น้องประชาชนเขาคงจะอดข้าวทั้งปีละปีนี่ถ้าวัาสวนยางไม่มาคำ้ำเขาเนี่ยเขาคงจะลำบากพอสมควรแต่นี้บางคนก็อาจจะไม่มีสวนยางอีกต่างหาก ค น, น, นเรื่องนาของเขาปีนี้เราเสียหายอย่างมากทั้งหมดเกือบจะว่าได้เพราะว่าในช่วงหวานในช่วงวานก้าก็ฝนตกหาเดียวกันแล้วก็ปักดาก็ฝนตกครั้งเดียวกันอพอมฝนตรงกันนะเวลาเก็บเกี่ยวกข้าวมันก็ออกมาพร้อมพร้อมกันมันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวพอดีพดีมันเดือน สิบสองเดือนสิบสองเพนนะน้าก็มาในช่วงนั้นพอดีอีกเลยมันกวาดไปหมดเลยทั้งข้าวเขากำลังเก็บเกี่ยวกำลังตากาแดดเอ่หละเฟืองข้าวทั้งหลายแหล่มันมัดอยู่ในวัดของหลวงพอ่อเดี๋นี้เหมือนกับหวานกล้าเลยนะข้าวมันออกในฝั่งน้าของหลวงพอ่อเหมือนกับหวานกล้าเลยมันงอกขึ้นมาหมด นี่แหละอันนี้ก็คือข้าวชาวนานเสียหายนะ เ, เสียหายมากแต่ลุงพ่อเองมีแต่เสียหายกําแพงกับถนนเท่านั้นแหละเออแต่ว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นมากเพราะว่ามันหมอกข้าวหมอแก ง, งของหลุงพ่อนไม่ได้เสียหายเพราะาน้ําไม่ท่วมนะมันท่วมตรงที่กําแพงและถนน เ, เราก็ไม่จําเป็นแต่ว่าทําไปแล้วทํามันยังขาดยังเดิกทิ้งไว้ก่อน เอเราทําแบบไม่ให้เดือดร้อนไม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะในหลวงท่านบอกว่าอย่าไปเดือดร้อนอันตรงไหนที่ทําก่อนได้ก็ทําก่อนอย่าไปกู้หนี้กู้หนี้ยืมสินมาทำํำถ้าไปกู้หนี้หนี้ยืมสินมาทํามันทําให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นทุกข์ใจอีกต่างหากเพราะนั้นหลงพ่อเองก็ว่าไม่ได้ไม่เดืเอ้ทําแบบสบาย ทำแบบสบายใจ เ, ยเพราะฉนะนั้จัตไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เกี่ยวข้องก่อฟังหลวงพ่อนี่แหละขนาดหลวงพ่อยังไม่ทุกใจลูกหลานทั้งหลายก็ไม่ต้องทุกใจนะทําแบบสบายนะทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันเสร็จเองเดี๋ยวนี้ ก, กาลังซ่อมอยู่ซ่อมเสร็จไปช่องหนึ่งแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้กําลังทำทำช่องต่อไปแต่เรื่องถนนเอาไว้ก่อนเนี่ยก็เอาไม้เลียงลําไปให้สาหรับพระ เดินไปก่อนนีถนนนะแต่ว่ารถไปไม่ได้แต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าก็คงจะคิดทําเมื่อทํากําแพงเสร็จแล้วกคงจะทิศคิดทําถนนทิศทําสะพานสะพานเชื่อมนะจากนั้นก็คงจะเสร็จแล้วล่ะการงบก็ก็อย่างที่ทางโยธาทางกรมทางหลวงชนบทเขาประเมินออกมาก็ประมาณนั่นแหละ แต่ถ้าว่าเราทําเองพระในวัดท่านก็บอกว่าถ้าเราทําเองก็คงจะไม่ถึงขนาดท่านหลอกหลวงพ่อเพราเราสั่งเองทําเองก็คงจะทําไปเรื่อยๆก็คงจะไม่นานก็คงจะเสร็จได้นี่แหละหลวงพ่อกอ็ให้พระในวัดช่วยๆกันกับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมในท้องถิ่นเนี่ย เ, เรียกเข้ามาแต่ก็เราก็ไม่ได้เรียกเขาฟรีนะเทียนเขามาช่วยช่วยงานกับทั้งขอแรงด้วยทั้ง ใจจะตุปใจัยของวัดต้วยอย่างที่ว่านั่นน่ะปัจจัยของวัดของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบ เ, เงินกระถิ่นของเราก็ยังไม่ได้ใช้เพราะมันเพิ่งออกมาใหม่ๆใช้อย่างไม่มากจํานวนใช้ก็เนี่ยจะช่วยโรงเรียนช่วยโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์แล้วก็มุ่งหวังแล้วก็ซ่อมแซมวัดวัดต่างๆ วัดต่างๆที่วัดสาขาที่หลวงพ่อเนี่ยก็ได้ช่วย ส, สาหลวงซาลาก็มีาทางว่าจะพูดให้ฟังแล้วก็จะตุปใจหลวงพ่อใช้ไปทางไหนเขาคงจะไม่ได้ฉันจังหันวันนี้ <c oughs> คงจะเรียนให้ทราบมันมีมากมีช่องทางไปมากทีเดียวนะแต่มันเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อน อันนี้เราพวกเราอยู่ในมวลมนุษย์อย่างเมื่อวานในหลวงพ่อเองเขาไปที่ไปเทศไปแสดงธรรมที่สลากลางจังหวัดอุดรออท่านผู้วารชการจังหวัดกับกลุ่มคณะนิมนต์ผมพ่อไปเทศไปแสดงธรรมปาทกถาเกี่ยวกับต่อต้านคอรับชั่นสากลเขาขึ้นขึ้นปอย่างนั้นนะ เกินปที่สลากลางบอกว่าต่อต้านขอรับชั้นสากลเขาว่าสากลก็คงจะเป็นวันสากลของทุกประเทศในโลกมีการต่อต้านไม่ให้มีขอรับชั่นหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมแต่หลวงพ่อก็ได้ยกคําหนึ่งขึ้นมาว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยโดยมากเป็นข้าราชการจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือเป็นทุกระดับแต่ถึงยังไงก็าตามพวกเราได้กินเงินเงินเดือนของเราเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินภาษีที่ได้เก็บมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นแหละเสียภาษีร่วมกันแต่เมื่อเราได้รับเงินเดือนแล้วก็ให้มองดูตนดูตนเองว่าข้าพเจ้าทางานเอ่อทุกวันแต่ละวัน มันคุ้มค่างเงินเขาเขาจ้างไหมให้พวกเราถามอย่างงั้นได้ถ้าว่าข้าผู้ใดใครถามไปเนี่ดี๋ยวก็จะโมโหให้เขาแต่หลวงพ่อว่าให้ถามตัวเองหลวงพ่อว่าให้ถามตัวเองถ้าว่าเราทํางานอย่างนี้เงินเดือนขนาดนี้ถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างตัวของเราไหมเนี่ยถ้าถามอย่างงั้นถ้าว่าโอ้ขนาด ขนาดเป็นเงินของเราเราไม่กล้าจ้างเราหรอกเราทำงานอย่างนี้จยแดง ว, ว่าเราบกพ่องแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้ใครบอกถ้าว่าพวกเราบอกอย่างนั้นแล้วก็ น, นให้ทำงานให้เต็มที่ทาหน้าที่ให้เต็มที่ให้สมกับเงินภาษีพีพ่น้องประชาชนที่เขาว่าจ้างแต่ก็พร้อมกันอย่างพร ะ, ละเลยีนี้อย่างพระในพุทธศาสนาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็สอนท่านก็ตรัสไว้อีกเหมือนกันดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อพวกพวกเธอบวชเข้ามาแล้วไปรับบิณฑบาตไปเอาไปอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านในเมื่อชาวบ้านเขาตักบาตร ท, ทาบุญตักบาตรมาแต่ว่าพวกเธอทั้งหลายได้ฉันอาหารเขาแล้วมาพูดแต่เรื่องโลกวัฏสงสารไม่ได้พิจารณาถึงความเสื่อม ไม่ได้พิจารณาถึงไตรลักษณ์แปลว่าไม่คุ้มค่าข่าวเขาแต่พิกสุใดเมื่อฉันพัาาหาันอาหารเขาแล้วไปนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้หรืออยู่ในที่เงียบสงบนั่งขัดสมาธิภาวนาได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารของตนเองเพียงลัดนิ้วมือเดียว ก็คุ้มค่าข้าวเขาค่าอาหารเขาแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนั้นอีกเหมือนกันดั น, นั้ท่านก็เตือนอีกเหมือนกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่ฉันอาหารของชาวบ้านเขาแล้วนะไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้กันกรองไตรายตอนในเรื่องทำคําสอนของพุท ธ, ธะเพราะนั้นพระองค์ก็ได้สอนภิกษุสงฆ์ในพระไตรปิฎกท่านก็ตรัสไว้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่าง ต้องมีค่าขึ้นมาเราก็ต้องทดแทนสรุปแล้วไม่ว่าค่าอันไหนก็ตามเราต้องทดแทนจิงนั้นขนาดพระพิบินทบาทก็ยังยังทดแทนคุ้มค่าข้าวเขาผู้เขาทำบุญเขาจะได้บุญได้กุศลจากเราแต่ถ้าว่าพวกเราฉันอาหารเขาแล้วมีแต่เรื่องพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารสเพเฮละเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายแล้ว แต่คาวาเก็ยังไม่พูดกันพระเอามาพูดกัน น, ะนั่นแหละแปลว่าไม่ได้เรื่องแหละนะไม่คุ้มค่าข้าวเขาแหละนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่แหะอันนี้ท่านก็พูดในไว้ในพระไตรปิฎกนะเพระาะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ทําการทํางานอยู่ในสถานะไหนก็ให้อยู่ในความสุจริตในปฏิบัติตาม เขาบอกว่าให้เดินตามแนวแถวพ่อ เ, เขาพูดเมือม่อวานเนี่ยนะในป้ายเขาบอกแต่หลวงพ่อกนนี้นในหลวงของเราเนี่ยทำคุณูปการให้กับประเทศชาติมามากนะลูกหลานถ้าพวกเราฟังอยู่ในวิทยุโทรทัศน์ในสื่อต่างๆไม่ว่าสื่อไหนประโคมออกมาแต่ก่อนเราก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินแต่พอมาท่าน สวรรคารายสวรรคคตไปแล้วนีผลงานท่านของท่านออกมาเนี่ยโอ้โหทุกคนเออซึ้งถึงใจว่า พ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติจริงๆท่านสมเป็นพ่อของประเทศจริงๆคล้ายๆว่าพ่อของบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อบ้าน ไปเห็นสิ่งไหนมาไปเห็นเขาปลูกพกุกปลูกพริกปลูกเขือปลูกลักงลกักกอไปเห็นที่อันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อบ้านของเราต่อที่ดินของเราเบ้านพ่อบ้านนั่นก็ต้องไปเ อ, เอาสิ่งนั้นมาปลูกไว้ในบ้านของเราเพื่อให้ในลูกในครอบครัวได้อยู่ได้กิน เ, เรือว่าไปเห็นสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ ก็นําสิ่งนั้นม า, เ, าเลี้ยงครอบครัวมาดูดแลครอบครัวนี่ในหลวงของเราเหมือนกันท่านเป็นพ่อของประเทศท่านไปเห็นสิ่งไหนในต่างประเทศพรท่านกว้างไกลท่านก็นําสิ่งนั้นนามาพัฒนาประเทศของท่านจนประเทศไทยของเราไม่เป็นไม่ด้อยกว่าใครในในท้องถิน่นในถิ่นของเรานี่แหละมีแต่ด้อยกว่า ตรงกับที่ว่าพวกคนในชาติทะเลาะกันบ้างบางครั้งบางการนะบางท่านก็เหมือนกับพ่อน่ยท่านก็ออกมาปรามออกมาปรามบ้างบางทีออกมาปรา ม, าาออ ม, าามเออพวกท่านพวกเธอทะเลาะกันน่ยพวกท่านทั้งหลายทะเลาะกันใครเป็นผู้เสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะท่านนะมันประเทศชาตินะเสียหายนะประเทศชาติเสียหายนะไม่ใช่ท่านเสียหายนะ ต้องคิดให้ดีนะแต่พวกท่านทะเลาะ ก, กันก็จริงแต่ว่าส่วนส่วนเสียหายคือประเทศชาติกิติศัพท์ของประเทศชาติทําให้ต่างประเทศเขามองประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่น่าไม่น่ามาลงทุนเป็นประเทศที่ไม่น่ามาเกี่ยวข้องไม่เป็นไม่เป็นประเทศที่น่ามาเที่ยวมาเอาเงินมาให้พูดง่ายๆ เพราะว่ามันเสียหายทางประเทศไม่ใช่เสียหายแต่พูดทะเลาะกันมันเสียหายประเทศพวกท่านทั้งหลายต้องคิดนะอันนี้ของในหลวงท่านก็เคยบอกเคยกล่าวนี่แหละพ่อต้องเป็นอย่างงั้นนะหลวงพ่อวัดถ้ามีพ่อเนี่ยอบอุ่นนะมีพ่อบ้านที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่างในหลวงของเราอบอุ่นนะทางว่าพ่อจากไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ได้พ่อใหมนะ่คือลูกพระ อ, องค์ท่าน รัช ก, กาลที่10บท่านก็คงจะเดินตามอรอยพชนกของท่านคือเดินตามรอยพ่อของท่านบริหารประเทศชาติพวกเราคนนีนะ้ถ้าหากว่าได้เป็นบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างรัช ก, กาลที่9ก้านี่ก็นั่นแหละโอ้อบอุ่นนะอุ่นอกอุ่นใจแต่ที่ยังไงก็ตามนะเมื่อท่านสวรรคตรสวรรคาไรายไปแล้วนะ พวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะท ด, ท ด, ทดแทนพระคุณของท่านนอกจากประกอบคุณงามความดีทันละหละั่นทีข้าพเจ้าจะคิดดีข้าพเจ้าจะทำดี เ, เพื่อบูชาพระคุณของพ่อนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะคิดทำในสิ่งที่ดเีเมื่อพวกเราคิดทำสิ่งที่ดีแล้วดวงวิญญาณของพระ อ, องค์ท่านสิ่งจะติดอยู่ณนะสวรรค์ชั้นใด ท่านก็คงจะมองดูโอ้พระศกในกรของเร า, เ, าเมื่อเร า, เาสวรรคตมาแล้วนะเน่ยพวกเขาระลึกถึงบุญคุณเขาประกอบแต่คุณงามความดีพระ อ, องค์ก็คงจะปลื้มปีติยินดีในภพภูมิของพระ อ, องค์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านได้นอกจากพวกเราทําตนให้เป็นคนดีนะอันนีค้คือส่วนหนึ่ง แต่วันนี้หลวงพ่อพอฉันจะหันเสร็จหลวงพ่อจะได้เข้าไปแสดงธรรมวัดโพธิสมพรนะลูกหลานคณะสัตย า, ศ า, ศ า, า ญ, ญาติโยมเพราะว่าคุณแม่ท่านผู้ว่าอำนาจประกาศรัฐอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรของเราเนะี่ยท่านในมรณะที่วัดโพธิสมพรจะประชุมเพลิงวันนี้นะพระราชทานเพลิงวันนี้นะและก็พร้อมกันหลวงพ่อโสดก็แม่ตายอีกไนดะ้ท่านเองหลวงพ่อโสดวัดป่าบ้านเพิ่มที่หนองแซงนะ พระหลวงพ่อก็คงจะให้พระไปในงานศพของแม่หลวงพ่อสดอีกเหมือนกันวันนี้นะนี่แหละสรุปแล้วก็คือความตายความตายนี่นะถ้าเรามองธรรมดาเหมือนธรรมดาคนอื่นตายนะแต่ถ้าว่ามาเจอกับตัวเองตายเลยไม่ใช่ธรรมดานะคะันตาต า, าญาติโยมไปคนอื่นทําไปงานศพของคนอื่นไปอย่างกัอย่างนั้นอย่างนั้นกัไปช่วยกันนะแต่พอมา ตัวเองเท่านั้นแหะจะดุ่งโหยงเลยทีเดีเ อ, อเรื่องความตายเนี่ยไม่ใช่ภัยธรรมดาเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดนะ เ, เพราะนั้นถึงจะน่ากลัวไม่น่ากลัวก็ถึงจุดจบ เ, เพราะว่ามนุษย์ของเราเกิดมาแล้วจะไม่ตายได้ยังไงแต่ว่ามันก็กลัวอยู่ตลอดบางคนไม่ขัดไม่อยากจะคิดเลยถึงความตายแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าว่า ดูก่อนอาน o ์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งประมาณวันละวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเอออาน o นน์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องคิดระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าเออทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ตายถ้าหายใจไม่ออกแล้วก็ใช่ตายเธอจงระลึกถึงลมถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะอาน o นน์ ยังเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะี่นี่พวกเราละลึกถึงอย่างนั้นไหมวันละครั้งก็ยังละลึกไม่ได้ เ, เพราะฉะนั้นถ้าละลึกถึงความตายอย่างนั้น <c oughs> ดียังไงได้ยังไงดีก็คือตรงที่ว่าเราได้เตรียมพร้อมตั้งเยนความไม่ประมาทสิ่งไหนที่คือเป็นคุณงามความดีเราก็ทําสิ่งนั้นจริงนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดี ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมเราก็ไม่ควรจะทําสิ่งนั้นเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละชีวิตของเราเนี่ยคงจะโ ร, งโรยไปตามอายุสังขาร น, นี่แหละให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งเอาไว้นะก่อนที่ท่านจะปรินิพานก่อนที่ท่านจะดับขันนะวันวันเดือน6เพ็ญวันชุดท้ายที่ท่านจะลาจากโลกไปนะท่านบอกว่า ดูก่อนสงทางหลายพุทธบริษัททั้งหลายขยวัวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติความแปลเป็นบาลีใช่ไหมขยวัวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเกิดและแกะ่และกระเจ็บและกระตายมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันคือมันเป็นอย่างนี้ทุกขนต้องเป็นอย่างนี้เกิดแก่และกระเจ็บและกระตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ถึงยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็คือทําหน้าที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องหน้าที่การงานสิ่งไหนประกอบคุณงามความดีก็ทําหน้าที่ให้ดีให้หน้าที่ดีประโยชน์ของท่านไคเนี่ยอย่างโยมผู้การเนี่ยนะเทิดาคณะบริวารของท่านมาแจก สิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากที่น้ําท่วมอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเนี่ยนะตรงไหนที่ขาดเหลือขาดตกเนี่ยเพราะคนในชาติชาติเดียวกันตรงไหนที่เขานี่ตาข้าเขาหน้าตาเองมันมีเขาวของใครของเราแต่เขาวนี้เราไปช่วยคนอื่นเพราะว่าเขาตกทุกข์ได้ยากแต่ต่อไปอนาคตเราก็ไม่แน่เหมือนกัน บางทีเราเอาจจะตกทุกข์ระยากเขานคนอื่นอาจจะมาช่วยเราเมื่อเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเรา น, นี่แหละอันนี้เราอยู่ในพื้นมนุษย์โลกต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอ น, นแต่ะแสดงว่าพวกเราเนี่ยทำทำตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่ า, อ, าอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติท่าน ท, ทั้งหลายจงยั่งประโยชน์ตนประโยชน์เราของเราเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ประโยชน์ท่านเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมที่พอที่จะช่วยเหลือได้ให้เครื่องมือแพทย์บังให้โรงล่าโรงเรียนเ อ, ออันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันไปนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าเดินตามแนวแถวนี้แล้วน่ะมีแต่ความสุขกายสุขใจร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วนหน้า แต่ว่าพวกเรามีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวละแห่งเพราะอะไรเพราะว่ามีการไม่ไว้ใจกันอยากหลวงพ่อไปเห็นอไปปากีสถานเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นแล้วโอ้เขาก็ถามว่าเป็นไงหลวงพ่อไปปากีสถานเออถ้าใครไม่อยากจะไปก็ทำให้ใครถ้าใครไม่เคยไปก็ไปดูนะ โอเป็นประเทศที่กว้างขวางใหญ่อก็ใหญ่โตทีเดียวนะแต่หลวงพ่อคงไม่ไปอีกหรอกไปแล้วเห็นแล้วโอ้ดูๆแล้วเป็นดูดูทุกหัวมุมมีแต่ทหารมีอาวุธสงครามทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดอบ้านเมืองเขายังมันเป็นหลายฝักฝ่ายดูดูแล้วก็นั่นแหะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอืบ้านเมืองของเขาบ้านเมืองของเรา น, นี้เปี่ยนแต่ผู้ให้ฟังว่าเออโลกอันนี้ถ้ารักกันเมตตากันสงสารกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันเมีอะไรแบ่งปันกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจกันเมตตากันอันนั้นจะดีกว่าเออถ้าเป็นหลังจักนัอย่างนั้นโอ้ดูๆแล้วเห็นแล้วก็จะทํำยังไงล่ะถ้าเป็นอย่างเมืองไทยของเราเราก็โอ้อย่าให้เป็นอย่างนั้นเถอะลูกหลานเลย เอาลอนนะพอเนี่ตนี้นะ